Fifty languages. 76 76 n t y s i x Satantasis. a Bang. Prakar. t Argumenta alguna cosa. Dos. Why didn't you come? Parque Novas v e n i Di Chan. Not c o m f o r a Estava malalt, malalta. ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะเธอเหนื่อยค่ะเธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ ท o ไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะค a n s a d a เขาไม่มีอารมณ์ค่ะเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะเขาไม่มีอารมณ์ค่ะเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ p no e si r q u si no e n u e v i n g u t รถของเราเสียค่ะ e l c o t x e s e n s va e s p a t t l a r เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะ n u e v i n g u t p e r q u è e l c o no t x e s e n s va e s p a t l l a r ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ Parque n ha v i n g u t la gent? พวกเขาพลาดรถไฟค่ะ han perdut el tren พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ no han vingut perquè han perdut el tren. t ท e นทำไมคุณถึงไม่มาคะ per què no has v i n g u ดดิฉันไม่ได้รับอนุญาต no podia ที่ฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Novingood porque no p o d i a f e r l o